ทรมบทแปลเรื่องสุมนณสามเณรภาคที่8เรื่องที่263พประศาสดาประทับอยู่นบุพพารลำทรงปรารบสุมนณสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยฮาเวท่โรภิกขุยุนชติพุทธศาสน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 ในเรื่องนี้มีเรื่องเล่าต่อกันมาดังต่อไปนี้ความพิสดารว่าในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปะทุมุตตะกุลบุตรผู้หนึ่งเห็นพระาศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีที่พยาจากักษุในท่ามกลางบริษัทสี อยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงนิมนต์พระศาสดาถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานถึงเจดวันแล้วตั้งความปรารถนาบ้างพระเจ้าค่าขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพย์ญาจักษุในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต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 เขาได้ยินคำพยากรณ์ น, นั้นแล้วรู้สึกเหมือนว่าสมบัตินั้นจะมาถึงในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระาศาสดาปะนนิพพานแล้วจึงถามกรรมวิธีเพื่อให้ได้ทิพยาจากักษุจากพวกภิกษุให้ทำต้นโคมไฟหลายปันต้นล้อมพระสถูปทองในรัศมีเจ็ดโยชน์แล้วทำการบูชาด้วยประทีป จุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปมาระหว่างเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นหนึ่งแสนกับในกับนี้มาเกิดในตระกูลของคนเข็นใจในเมืองพารานสีอาศัยสุมาเเศรษฐีอยู่ทำงานขนหญ้าให้ท่านเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีพเขาได้มีชื่อว่าอันนภาระ ส่วนสุมนะเศรษฐีได้ถวายมหาทานในเมืองนั้นโดยสม่ำเสมออยู่มาวันหนึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้านามว่าอุปริท t ออกจากนิโรธ ส, สมาบิที่เขากันธมาทิคิว่าวันนี้เราจะทำความอนุเคราะห์ใครดีเนาะดังนี้ทราบว่าวันนี้ คนที่เราจะทําความอนุเคราะห์ช่ยชื่ออนนภาระตอนนี้เขากำลังขนหญ้าจากป่ากลับบ้านดังนี้แล้วจึงถือบาทและจีวรไปด้วยฤทธิ์ปรากฏตัวตรงหน้านายอนนภาระนายอนนภาระเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหุ้มบาทเปล่าจึงถามว่าท่านขอรับท่านได้พิกษาบ้าง หรือเปล่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่าคิดว่าจะได้ท่านผู้มีบุญมากจึงเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญถ้ากรณนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดรอสักครู่ขอวางหาบหญ้าลงรีบไปบ้านถามปรรยาว่านางผู้เจริญมีข้าวส่วนที่เก็บไว้ให้ฉันบ้างหรือไม่เมื่อนางตอบว่า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 พระปัจเจกพุทธเจ้ารงทำการอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดท่านผู้มีบุญมากแล้วก็จากไปเทวดาผู้สิงอยู่ในฉัตของสุมนรณเศรษฐีก็กล่าวว่าน่าชื่นใจจริงงานที่เยี่ยมยอดตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริทปัจเจกพุทธเจ้า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 เศรษฐีนั้นคิดว่าน่าสจัจจริงผู้เจริญเราถวายทานมานานเพียงนี้ยังทำให้เทวดาให้สาธุการไม่ได้นายอนะภาระอาศัยเราอยู่ยังทำให้เทวดาให้สาธุการได้ด้วยบินบาตเพียงครั้งเดียวเราจะให้สิ่งอันสมควรกันในทานของเขาแล้วถือว่าบินบาบนั้นเป็นของเราอย่งนี้แล้ว จึงให้เรียกเขามาแล้วถามว่าวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครบ้างนายอนาประนายกรับวันนี้กระผมถวายพระทหารแก่พระอุปริธาปเจกกับพุทธเจ้าเศรษฐีพ่อเอ๋ยถ้าอย่างนั้นเจ้าจงรับเอากหาพระนะแล้วยกบินดาบานั้นให้เป็นของฉันอนาปะระให้ไม่ได้หรอกนาย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 จึงรีบตามไปถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยเร็วแล้วเรียนถามว่าท่านผู้เจริญสุมรรณเศรษฐีให้ทรัพย์หนึ่งพันแล้วขอส่วนบุญในบิณตาบาทที่ถวายท่านกระผมจะทําอย่างไรในที่นั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าชักอุปมาให้เขาฟังอย่างนี้ว่าเหมือนอย่างนี้ท่านผู้เป็นบัณฑิตเขาจุดประทีป ไว้ในเรือนหลังหนึ่งในหมู่บ้านมีร้อยหลังคาเรือนผวกคนที่เหลือเอาน้ำมันของตนชุบไส้แล้วไปจุดต่อไฟดวงอื่นเอาไว้แสงสว่างของดวงประทีบดวงเดิมจะพูดได้ว่ายังอยู่หรือไม่อยู่นายณประแสงสว่างยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นก็รับพระประเจกุปตเชา่าฉันนั้นนั่นแหละท่านผู้เป็นบัณฑิต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 นายอนาภาระจึงรับว่าดีแล้วท่านผู้เจริญไหว้พระปัเจกพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปหาเศรษฐีแล้วกล่าวว่านายครับจงรับเอาส่วนบุญเถิดเศรษฐีถ้ากระนั้นพ่อจงรับเอากหาปณญเหล่านี้ไปอนาภาระกระผมไม่ได้ขายบิณฑบากบกระผมแบ่งส่วนบุญให้ท่านด้วยศรัทธา เศษฐีกล่าวว่าเจ้าให้ด้วยศรัทธาเราก็บูชาคุณของเจ้าด้วยศรัทธาเช่นกันจงรับอาไปเถิดพ่ อ, อหนึ่งแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ทำการงานเองจงปลูกเรือนอยู่บริเวณนี้อย่าได้อะไรก็จงมาเอาจากฉันได้ทุกอย่างธรรมดาบินบา ท, ที่ถวายแก่ผู้ออกจากนิโรสมาบัติย่อมให้ผลในวันนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงทราบเรื่องก็ได้รับสั่งเรียกนายอนนาภาระเข้าเฝ้าทรงรับส่วนบุญพระราชทานโปกทัพย์มากมายแล้วพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาตอนประวัติปัจจุบันของพระอนุรุทธะนายอนนาภาระนั้นเป็นสหายของสุมนเเศรษฐีทำบุญมากมายตลอดชีวิต จุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในเทวโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุ ป, ปบาทกานี้ถือปฏิสนธิในตำหนักของเจ้าสากยะพระนามว่าอามิโตธนะในพระนครกบิลพัทพระประยุรญาตทั้งหลายทรงขนานพระนามแก่พระกุมาร น, นั้นว่า อนุรุทธะพระกุมารนั้นเป็นพระกนิษฐาปาดาของเจ้ามหานามาสากยะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระศาสดาได้เป็นผู้สุกุมาาชาติอย่างยิ่งมีบุญมากเล่ากันว่าในวันหนึ่งเมื่อกษัตริย์หกพระองค์เล่นขลุบพนันเอาขนมกันเจ้าอนุรุทธาแปะ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 โดยรับสั่งว่าเอาพ่อเอาถา ท, ทองคำนี้ไปให้บุตรของเราขณะนั้นเทวดาทั้งหลายผู้รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุธะ้ะผู้เป็นเจ้าของพวกเราถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแกพระป่าเจ ก, กับพรธเจ้าพระนามว่าอุปาริธะตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราอย่าได้ยินคำว่าไม่มี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 หม่อมแม่หม่อมฉันไม่เคยกินขนมแบบนี้เลยต่อไปขอให้ทำเฉพาะขนมไม่มีเท่านั้นให้หม่อมฉันแต่นั้นมาในเวลาเจ้าอนุรุธะทูลว่าหม่อมฉันอยากสวยขนมพระนางก็ส่งล้างถาดตองกรรมแล้วปิดถาดอีกใบส่งให้เทวดาเนรมิตขนมให้เต็มถาดทุกครั้งพระกุมารนั้น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 จะให้ทราบการงานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงตรัสถามอย่างนั้นเราว่าวันหนึ่งเจ้าสาขยะสามพระองค์คืออนุรุทธะพัติยะและกิมพิละถามกันว่าข้าวสวยมาจากไหนในเจ้าสาขยะทั้งสามพระองค์นั้นเจ้ากิมพิละตรัสว่าข้าวสวยเกิดในช้างได้ยินว่าวันหนึ่ง เจ้ากิมพีระนั้นเห็นเขาขนข้าวเปลือกใส่ในช้างพระชะนั้นจึงตรัสเช่นนั้นเพราะเข้าใจว่าข้าวสวยเกิดในช้างที่นั้นเจ้าพัติยะตรัสกับเจ้ากิมพีระนั้นว่าท่านยังไม่ทรบาบจึงตรัสว่าธรรมดาข้าวสวยย่อมเกิดในหม้อข้าวสิได้ยินว่าวันหนึ่ง เจ้าปฏิญะนั้นเห็นคนคดข้าวสวยออกจากหม้อจึงเข้าใจว่าข้าวสวยนี้เกิดขึ้นในหม้อนี้เองดังนี้เพราะฉะนั้นจึงตรัสอย่างนั้นส่วนเจ้าอนุรุตระตรัสกับเจ้าทั้งสองอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองก็ไม่ทราบเช่นกันแล้วตรัสว่าข้าวสวยเกิดขึ้นในถาดทองคำใบใหญ่ซึ่งสูงประมาณสกรรม ได้ยินว่าพระองค์ไม่เคยเห็นทั้งเวลาเขาตำข้าวเปลือกไม่เคยเห็นทั้งเวลาเขาหุงข้าวเห็นแต่ข้าวสวยที่เขาคดใส่ในถาด ท, ทองคาวางไว้ตรงหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเข้าประทัยว่าข้าวสวยเกิดขึ้นในถาดนั่นเองดังนี้เพราะฉะนั้นจึงตรัสอย่างนั้นกุลบุตรผู้มีบุญมากไม่รู้เลยว่า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 ม่มฉันไม่ต้องการอยู่ครองเรือนแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับพระโอรสของเจ้าสากยะห้าพระองค์มีเจ้าพัติยเป็นหัวหน้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาที่อนุปิยอำเภอวันทรงผนวดแล้วก็แลครั้นผนวดแล้วพระอนุรุทธเป็นผู้ปฏิบัติชอบทําให้แจ้งซึ่งวิชาสามโดยลําดับนั่งอยู่บนอาสนะเดียว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 ตอนพระเทระระลึกถึงสายเก่าคระนั้นท่านเกิดมีความสงสัยว่าสุมนะเศรษฐีผู้เป็นสายของเราให้กะหาพะนะแล้วรับเอาส่วนบุญจากบินบาบ ท, ที่เราถวายแก่พระอุปริปาปเจกพุทธเจ้าในการนั้นบนัดนี้เขาเกิดที่ไหนหนอก็ะนที่นั้นท่านได้ทราบว่า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 ก็แลกรันทราบแล้วคิดว่าเมื่อเราไปในที่นั้นจะได้ประโยชน์ไหมฮั่นพิจารณาดูได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปในที่นั้นจุระสุมนณะซึ่งมีอายุเพยียงเจ็ดขวบจะออกบวชและจะบรรลุพระอรหันต์ในขณะปลงผมเสร็จนั่นเองดังนี้แล้วก็แลกรันเห็นแล้ว เมื่อใกล้เข้าพรรษาจึงเหาะไปลงที่ประตูบ้านก็มหาหมุนทะอุบาสกรู้จากพระเถระมาก่อนท่านบวชเขาเห็นพระเถระในเวลากรองจีบอมาบินดาบาทก็บอกมหาสุมนะผู้บุตรว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าอนุรุธทธเถระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาตรของท่านก่อนที่คนอื่นจะรับบาตรของท่านไป พ่อจะให้ปูอาสนะไว้มหาสุมนะได้ทำอย่างนั้นแล้วอุบาสกอังคาตพระเทระภายในเรือนโดยเคารพอนณาก่อรอให้ท่านรับคำจะอยู่ชำพรรษาตลอดสามเดือนพระเทระรับนิมนต์ครั้ น, นอุบาสกปฏิบัติพระเทระตลอดสามเดือนเวลาเป็นเหมือนปฏิบัติ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 อย่าเลยอุบาสกอาดมาภาพไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อุบาสกท่านผู้เจริญมันเป็นลาบอันเกิดแก่ผู้อยู่ชำปัญสาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับไว้เถิดพระเถระช่างเถิดอุบาสกอุบาสกทำไมท่านไม่รับขอรับพระเถระอาดมาไม่มีสามนเณรผู้เป็นกปัปยาการกกอยู่ด้วยอุบาสกท่านผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้นมหาสุมนะผู้เป็นบุตรของกระผมจะบวชเป็นสามเณรพระเทระอุบาสกอาตมาไม่อยากได้มหาสุมนะอุบาสกท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจงใจให้จุลสุมนะบวชเถิดพระเทระรับคาว่าดีแล้วจึงให้จุลสุมนะบวชจุลสุมนะนั้น บรรลุพระรหัสในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองพระเทระอยู่ในที่นั้นกับจุลสุมนะสามเณรได้ประมาณกึ่งเดือนจึงลาพวกญาติของสามเณรว่าพวกอธตมาภาพจะไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเข้าไปลงที่กระท่อมกลางป่าในหิมมะวันตับประเทศตอนพระเทระปราบความเพียรเสมอ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 พญานาคถูกรายล้อมด้วยเหล่านางนาคนักฟ้อนเตรียมจะเล่นน้ำพอได้เห็นสามเณรหอบมาเช่นนั้นพญานาคก็โกรธเห็นว่าสมณะโล้นนี้เที่ยวโปรยฝุ่นเท้าลงใส่หัวเราสมณะโลน้นนี้คงมาเอาน้ำในสาโนดาตบัดนี้เราจะไม่ให้น้ำดื่มแกเธอหนังนี้ จึงนอนใช้ผังพันปิดสะโนดาดซึ่งกว้างห้าสิบโยต์เหมือนคนใช้ถาดใบใหญ่ปิดหม้อข้าวไว้ฉะนั้นสามเณรเห็นอาการของพญานาค ก, ก็รู้ว่าพญานาคโกรธดังนี้แล้วจึงกล่าวกาถานี้ว่าพญานาคผู้มีเดชกล้ามีกะลังมากจงฟังข้าพเจ้า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 แห่งพระพุทธศาสนาก่อนจึงนำน้ำไปดังนี้ที่แรกได้ไปหาพวกอากาสัทธะเทวดาเทวดาเหล่านั้นมาว่าแล้วถามว่าอะไรกรับได้พากันยืนอยู่สามเณรกล่าวว่าจะมีการต่อสู้ระหว่างข้าพระเจ้ากับปันนกะนาคราชเหนือสาโนดานี่พวกท่านจงไปดู ใครจะแพ้ใครจะชนะสามเณร น, นั้นจึงเข้าไปหาเท้าโลกบาลทั้งสและเท้าสา ก, กะเท้าสุยามะเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมมิตะและเท้าวาสวัตีแล้วบอกเนื้อความนั้นโดยทํานอง น, นั้นแหละต่อจากนั้นสามเณรไปหาเทวดาอื่นๆจนถึงปรมโลกเมื่อปรมในชั้นต่างๆ มายืนไหว้แล้วถามว่าอะไรก็รับจึงแจ้งเรื่องให้ทราบเป็ น, น้นว่าสามเณรนั้นไปบอกในทุกพบใช้เวลาชั่วครู่เท่านั้นยกเบนอสัญญีสัตว์และอรูปประภมเท่านั้นที่ไม่ได้บอกเทวดาทุกๆจํจำพวกฟังคำของสามเณรแล้วมาประชุมกันเหนือสานุดาตเต็มท้องฟ้า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 สามเณรเอาหม้อรองน้ำดื่มจนเต็มแนอากาศนั่นเองหมู่เทพให้สาธุการแล้วตอนพญานาคแพ้สามเณรพญานาคได้รับความอับอายโกรธสามเณรยิ่งนักในตาสองข้างแดงดุดสีดอกชะบามันคิดว่าสมณะโรนี้เชิญหมู่เทพมาชุมนุมกันแล้วตักเอาน้าไป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 ตอนพญานาคพูดเท็จแต่สามเณรไม่พูดเท็จฝ่ายพญานาคก็ตามมาติดๆแล้วกล่าวว่าท่านอนุรุธะสามเณรขโมยเอาน้ําซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้มาอย่าดื่มนะพระเทระถามว่าเป็นดังว่าหรือสามเณรสามเณรเรียนว่านิมนต์ท่านดื่มเถิดกรับ น้าดื่มนี้พญานาคให้แล้วกระผมจึงนํามาพระเถระทราบว่าขึ้นชื่อว่าสามเณรผู้เป็นขีณาศพย่อมไม่พูดเท็จดังนี้แล้วจึงดื่มน้ํานั้นทันใดนั้นอาพาธของท่านก็ระงับพญานาคกล่าวกับพระเถระอีกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถูกสามเณรทำให้ขายหน้าต่อหน้ามูเทพ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 ที่ขอเล่นหารู้อนุภาพของสามเณรไหมวันนี้ควรที่เราจะทำคุณของสุมนณะสามเณรให้คนรู้ฝ่ายพระเถระมาถึงถาวายบังคมพระาศาสดาแล้วก็นั่งอยู่ตอนพระเทระทรงชมสามเณรพระาศาสดาทรงทาปฏิสันต์กับพระเทระแล้วตรัสเรียกพระอนุเทระ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 ถาสามเณรผู้แก่กว่าทุกรูปทุกรูปบ่าสามเณรพระศาสดามีความประสงค์จะทรงล้างพระบาทด้วยน้ําจากสาโนดาตจงนําหม้อน้ํานี้ไปตักน้ํามาสามเณรนั้นไม่ยอมไปโดยกล่าวว่ากระผมทําไม่ได้ขอรับพระเถระถามสามเณรที่เหลือตามลําดับสามเณรเหล่านั้น บางพูดบายเบียงเหมือนกันหมดมีคำถามว่าในบรรมดาสามเณรเหล่านี้ไม่มีสามเณรผู้เป็นกีณาศพบ้างเลยหรือตอบว่ามีอยู่แต่สามเณรเหล่านั้นไม่อยากรับเพราะเห็นว่าพวงดอกไม้นี้พระาศาสดาไม่ได้ส่งคล้องไว้ให้พวกเราพระองค์ส่งคล้องไว้ให้สุมนะสามเณรองเดียว ส่วนพวกสามเณรผู้เป็นปุตรชนไม่รับอยู่แล้วเพราะตนไม่มีความสามารถจริงๆในที่สุดเมื่อถึงกล่าวสุมาาสามเณรเข้าพระเถระกล่าวว่าสามเณรพระศาสดามีความประสงค์จะทรงล้างพระบาทด้วยน้ำจากสาโนดาตได้ยินว่าเธอนั่นแหละเอาม่อไปตักน้ำมา สุมาะสามเณรนั้นเรียนว่าเมื่อพระศาสดาทรงให้นํามากระผมจะไปนํามาเมื่อถวายบังคมพระศาสดาแล้วก ร, ราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินวางง่าพระองค์ให้ข้าโประงค์ไปนําน้ํามาจากสระอนุดาดหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นสุมานณะสุมาณะสามเณร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 จึงต้อนรับแบกหม้อด้วยจงอยบ่าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข่าเมื่อทาตเช่นข้าพระเจ้ามีอยู่เหตุชนัยพระผู้เป็นเจ้าจึงมาเสียเองเมื่อต้องการน้ําเหตุใดจึงไม่ส่งข่าวมาก็พอเอาม่า น, น้ํานั้นแบกเองแล้วกล่าวว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเตอร์กรับข้าพระเจ้าจะนําน้ําไปเอง สามเณนรนกล่าวว่าท่านนาคราชหยุดอยู่ที่นี่เถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ข้าพเจ้ามาดัางนี้แล้วให้พญานากลับเอามือจับที่ขอบปากหม้อเหาะมาทางอากาศดังดังนั้นพระาศาสดาทรงเห็นเธอซึ่งกำลังมาตรัเรียกภิกษุมาแล้วตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลาย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 พระศาสดาสุมานณะถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้เธอจงเป็นภิกษุเถิดแล้วได้ประธานยัด ช, ชักอุปสมบทได้ยินว่าสามเณรผู้มีอายุเจ็ดปีสองรูปเท่านั้นได้อุปสมบทวิธีคือสุมณะสามเณรนี้รูปหนึ่งและโสปากะสามเณรอีกรูปหนึ่งเมื่อสุมาณะสามเณร ได้อุปสมบทแล้วตามระดดำรัินั้นพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าสจใจจริงสามเณรน้อยมีอนุภาพถึงเพียงนี้อนุภาพเห็นป่านนี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตอนอายุน้อยก็เก่งได้เมื่อพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย ขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเนอเมื่อพวกเธอกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายในาศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นรุ่นนมุมหากปฏิบัติชอบแล้วก็ได้สมาบัติเห็นป่านนี้เหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่า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 ก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายุนชันติแปล ว, ว่าภาคเพียนได้แก่ภาคเพียนคือพยายามอยู่คำว่าปาพาเสติแปล ว, ว่า ย, ออย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเป็นต้นหมายความว่าภิกษุนั้น ย, ออย่อมยังโลกมีขันธโลกเป็นต้นให้สว่างคือย่อมทำให้มีแสงสว่างเป็นนันเดียวด้วยยาน อันสัมปยุทธ์ด้วยอาราตาัตธรรกของตนดุจ ด, ดวงจันทร์ที่ผลแล้วจากเครื่องกำบังมีหมอกเป็นต้นากนั้นในเวลาจบเทสนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปฏิพนเป็นต้นแล้วแหละเรื่องสุมาณสามเณรจบ